อ, อัดถังคตะสิกขาบท 75. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้เมื่อดวงอาทิตย์อัดสดงแล้วยังสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายอยู่ณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารพใครตอบทรงปรารพท่านพระจุระบันทกะถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ท่านพระจูละปันธกะเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงแล้วยังสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายอยู่ในอัฐถังคตะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นปะทะโสธรรมะสมุทฐาน